พระอรหันต์ที่จำพันษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราพ่ออรหันต์ทน เพื่อรักบรรดา น, นิทานสีขาวเรื่องรอยแผลเป็นมีชาวนาคนหนึ่งชื่อรามูหลังจากภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็ต้องเลี้ยงลูกชายทั้งสองคือราชิและมูชาด้วยตนเองตามลำพังแม้ครอบครัวนี้จะยากจนแต่สามพ่อลูกก็รักใคร่กันดีรามูมักปลูกฝังลูกเสมอในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเขาบอกแ ก, ก่ลูกๆทุกวันว่า แม้บ้านของเราจะยากจนเงินทองแต่เราจะร่ารวยศักดิ์ศรีถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงลูกทั้งสองต้องจำไว้เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่ายอมเสียศักดิ์ศรีเสียความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่สุดของเราไปราชีกับมูชาก็เชื่อฟังคำสอนของพ่อเป็นอย่างดีหลายปีผ่านไป ราชิเริ่มโตพอที่จะช่วยพ่อทํางานในไร่นาได้รามูผู้เป็นพ่อจึงมอบหน้าที่เลี้ยงวัวให้แก่เขาราชิขยันขันแข็งทํางานตัวเป็นเกลียวเขาอยากแบ่งเบาภาระของพ่อให้ได้มากที่สุดอยู่มาวันหนึ่งราชิไม่สบายปวดหัวมากแต่ก็พยายามลุกขึ้นไปทํางานเหมือนเช่นทุกวันรามูไม่รู้ว่าลูกป่วย ไม่เห็นราชิพาวัวออกมากินหญ้าตอนสายมากจึงเดินเข้าไปต่อว่าต่างๆนานารามูคิดว่าราชิเริ่มเกลียดข้านและเขาเกลียดคนเกลียดข้านเป็นที่สุดทำไมคิดเกลียดตัวเป็นขนอย่างนี้ล่ะราชิเราเป็นชาวนานะไม่ใช่มหาเศรษฐีถ้าเราไม่ตื่นแต่เช้ามาทำงานเราจะเอาอะไรายาไสกัน ข้าไม่สบายนะพ่อราชิพยายามอธิบายแต่รามูไม่ยอมเชื่อเขาหาว่าลูกชายโกหกสองพ่อลูกจึงเริ่มทุ่มเถียงกันจนกลายเป็นทะเลาะรามูเกิดโทษสะจึงลืมตัวคว้างมีดพลาในมือใส่หน้าราชิราชิเบี่ยงตัวหลบได้ทันอย่างบุบวิดแต่คมมีดที่ดูเหมือนเฉียวผ่านไปก็ฝากรอยบากขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าผากเขาจนได้ เลือดสีแดงสดค่อยๆไหลรี่ลงมาอาบหน้าราชิรามูตกใจมากเขาพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนตัวแข็งอยู่อย่างนั้นทำไมพ่อทำกับข้าอย่างนี้พ่อไม่เชื่อข้าแล้วยังทำร้ายข้าอีกราชิพูดด้วยความน้อยใจหยดน้ำตาไหลปนเปื้อนไปกับสายเลือดพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อราชิโยนเชือกล่ามวัวลงกับพื้นดิน เมื่อพ่อใจร้ายกับข้าข้าก็จะไม่อยู่ที่นี่ข้าจะไปทำมาหากินที่อื่นและจะไม่กลับที่นี่อีกเลยพูดจบราชีก็หันหลังวิ่งออกไปเมื่อรามูตั้งสติได้ก็พยายามวิ่งตามลูกชายและร้องเรียกให้กลับมาแต่ก็ไม่ทันเพราะราชีวิ่งหายเข้าไปในป่าเสียแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รามูเสียใจมาก ความทุกข์ใจทำให้เขาเริ่มเจ็บออดอ อ, อ, อแอดแอดมาตลอดแต่เขาบอกตัวเองว่ายังเป็นอะไรไปไม่ได้พอมูชายังเล็กเกินกว่าที่จะอยู่คนเดียวคั้นมูชาเติบโตเป็นหนุ่มรา ม, มูก็เจ็บหนักเขารู้ตัวว่าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงเรียกมูชาให้เข้ามาใกล้เพื่อกล่าวคาสั่งเสียมูชาลูกรักของพ่อ ตอนนี้เจ้าก็โตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อเจ้าดูแลตัวเองได้ก็ถึงเวลาที่พ่อต้องจากไปเสียทีมูชาตกใจเขารีบห้ามไม่ให้พ่อพูดเรื่องนี้แต่รามูยังพูดต่อไปว่าเจ้าเป็นคนดีลูกเอ๋ยพ่อจึงวางใจในตัวเจ้าแม้ตายไปก็ไม่ห่วงแต่พี่ของเจ้าที่หายสาบสูญไปพ่อยังอดห่วงไม่ได้ ไม่รู้ป่านนี้เขาจะตกระกรรมลำบากขนาดไหนพี่ราชิเป็นคนฉลาดเขาเอาตัวรอดได้หรอกพ่ออย่าห่วงเลยนะมูชาปลอบใจผู้เป็นพ่อเรื่องของราชิเป็นความผิดเดียวในชีวิตของพ่อมูชาพ่อยากจนไม่มีอะไรเป็นมรดกให้แก่เจ้านอกจากวัวสิบตัวที่เลี้ยงเอาไว้ พ่อขอมอบวัวห้าตัวให้แก่เจ้าที่เหลืออีกห้าตัวขอให้เจ้าตามหาพี่ชายของเจ้าให้พบแล้วมอบพวกมันให้แก่เขามูชาพูดว่าแต่ข้าไม่แน่ใจว่าจะจำพี่ราชิได้หรือไม่ตอนที่พี่ออกจากบ้านไปข้าก็ยังเด็กมากพ่อเคยทำมีดพ้าบากหน้าผากเขาและราชิคงมีแผลเป็นที่หน้าผากติดตัวจนกระทั่งทุกวันนี้ ช่วยพ่อหน่อยนะมูชาตามหาราชิให้พบและมอบววทั้งห้าตัวให้แก่เขาช่วยไถ่โทษจากราชิแทนพ่อด้วยรามูแข็งใจสั่งเสียความต้องการสุดท้ายแก่ลูกชายคนเล็กจนจบแล้วก็สิ้นใจทันทีหลังจากเผาศพพ่อแล้วมูชาก็ออกสืบสอค้นหาเบาะแสของราชิไปทุกที่ แต่เป็นการยากจริงๆที่เราจะตามหาคนที่หายสาบสูญไปหลายปีให้พบได้และเพราะต้องดูแล ว, วัวทั้งสิบตัวมูชาถึงไปตามหาพี่ชายในที่ไกลๆนักไม่ได้สุดท้ายเขาใช้วิธีกระจายข่าวสารถ้าโชคดีราชิรับรู้ข่าวนี้มูชาก็คงจะได้เจอกับพี่ชายในไม่ช้า อยู่มาวันหนึง่งขณะที่มูชานำวัวทั้งสิบตัวออกไปหากินในทุง่งหญ้าเขาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวมอซอเหมือนขอทานนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มูชาจึงแบ่งอาหารของเขาไปให้ชายคนนั้นครึ่งหนึ่งแต่ทันทีที่มูชาเห็นหน้าเขาในระยะใกล้มูชาก็ต้องตกใจจนทำห่อข้าวหล่นจากมือเพราะชายท่าทางมอซอคนนี้มีแผลเป็นขนาดใหญ่อยู่บนหนา้าผา ตรงตามที่พ่อของเขาได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับราชีเอาไว้มูชาเชื่อในทันทีว่าชายที่มีแผลเป็นบนหน้าผากคนนี้คือพี่ชายของเขาเขารีบพาราชีกลับบ้านนำข้าวปลาอาหารมาให้กินและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ราชิไม่อยู่ให้ฟังโดยละเอียดพ่อว่าถ้าพี่กลับมาให้มอบวัวห้าตัวให้แก่พี่พี่เปเลือกเอาเลยนะว่าจะเอาตัวไหน ข้าตั้งใจเลี้ยงมันให้แข็งแรงหมดทุกตัวเพื่อรอวันที่พี่กลับมาตลอดเวลาราชีนั่งฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยและไม่พูดอะไรออกมาเลยแม้แต่คําเดียวพอตกดึกมูชาก็จัดที่นอนให้พี่ชายคืนนั้นมูชาเข้านอนด้วยความปิติเขาดีใจมากที่จู่ๆก็ได้เจอกับพี่ชายอีกครั้งอย่างน่าอศัศจรรย์รุ่งเชา้ามูชาตื่นมาไม่เจอพี่ชาย ที่นอนของราชิเหมือนไม่มีคนลงไปนอนเลยได้ซ้ามูชาลงไปดูที่คอกวัววัวในคอกหายไปห้าตัวทำไมพี่ราชิไปไม่บอกเรานะแล้วทำไมพี่ราชิจะต้องขโมยวัวห้าตัวไปด้วย อ, อ๋อไม่เอาน่ะอย่าคิดอย่างนั้นสิบางทีพี่ราชิอาจจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องจากไปอย่างเร่งด่วนก็ได้มูชาพยายามบอกตัวเองไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน อาทิตต์ต่อมามีเกวียนคันนึงวิ่งมาหยุดตรงหน้าบ้านมูชาออกจากบ้านมาดูมาดูก็เห็นชายท่าทางภูมิฐานคนหนึง่งก้าวลงมาจากเกวียนและส่งยิ้มมาให้มูชามูชาตกใจจนตาค้างเมื่อเห็นว่าที่หน้าผากของชายคนนี้มีแผลเป็นขนาดใหญ่อยู่ด้วยว่าไงมูชาทําไมทําหน้าอย่างนั้นเจ้ากําลังตามหาพี่อยู่ไม่ใช่หรือเอ๊ พี่ราชิมูชาครางอย่างเบาๆก็พี่นะสิราชิตอบพร้อมกับฉีบยิ้มกว้างรอยยิ้มของราชิคนนี้เหมือนรอยยิ้มของพ่อไม่มีผิดเพี้ยนน้ำเสียงก็ฟังคล้ายคลึงกับเสียงของพ่อมากคือพี่ราชิจริงๆด้วยแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วโถเอ้ยนี่ข้าให้วัวของพ่อแก่คนผิดไปหรือนี่มูชาร้องลั่น แล้วเจ้าให้วัวแก่ใครไปเล่าราชิถามผู้ชายคนหนึ่งที่มีแผ่เป็นบนหน้าผากเหมือนพี่แต่คนคนนั้นแต่งตัวมอซอผมเท่ายาวรุงรังปลกหน้าปกตาไม่ได้ดูร่ำรวยอย่างพี่หรอกแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะข้าก็จะมอบวัวอีกห้าตัวของข้าให้แก่พี่เองราชิถามน้องชายว่าให้พี่หมดแล้วเจ้าจะใช้อะไรทำกินละ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ ข้าผิดเองที่ไม่ดูคนให้รอบคออีกอย่างก่อนพ่อตายพ่อก็สั่งนักหนาให้มอบวัวแก่พี่ให้ได้พี่รอเดี๋ยวนะข้าจะไปต้อนวัวออกมาให้ราชีหัวเราะพร้อมกับดึงแขนน้องชายเอาไว้ไม่ต้องรอกมูชานี่เจ้าจําไม่ได้จริงๆหรอว่าผู้ชายคนนั้นกับพี่คนเนี้ยเป็นคนคนเดียวกันมูชามองหน้าพี่ชายอย่าง ง, งุนงงวัวของพ่อไม่ได้ถูกขโมยไปหลอก พี่แค่พาพวกมันไปไว้ในอีกที่หนึ่งเท่านั้นมูชาชักเขื่องใจแล้วทำไมพี่ต้องเล่นตลกอย่างนี้กับข้าด้วยเอานะ้าอย่ากโกรธพี่เลยพี่ไม่ได้พบเจ้านานแล้วพี่จึงแค่อยากลองใจว่าเจ้าจะยังำจำคำสั่งสอนของพ่อที่บอกให้เราเป็นคนซื่อสัตย์อยู่เสมอได้อีกหรือไม่ความซื่อสัตย์คือศักดิ์ศรีของข้ามูชาบอกอย่างหนักแน่น ราชียิ้มอย่างพอใจแล้วบอกว่าอันที่จริงพี่ทําการค้าอยู่อีกเมืองหนึง่งจนเจริญก้าวหน้าดีแล้วและคิดจะกลับมารับเจ้ากับพ่อไปอยู่ด้วยกันที่นั่นแต่ในเมื่อพ่อตายซะก่อนและเจ้าก็โตขึ้นมากอีกทั้งยังพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่สุดดังนั้นพี่ก็จะลงทุนปลูกร้านค้าให้เจ้าอยู่ข้างๆกับร้านของพี่ ให้เจ้ามีร้านเป็นของตัวเองเราสองคนพี่น้องจะได้ช่วยกันทำมาหากินและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดเจ้าว่าดีหรือไม่มูชากล่าวขอบคุณพี่ชายและไม่ลืมที่จะระลึกถึงบุญคุณของพ่อผู้พรมสอนให้เขาเป็นคนซื่อสัตย์มาตั้งแต่เด็กเธอทั้งหลายเป็นธรรมดาที่คนซื่อสัตย์มักจะได้รับโอกาสที่ดีมากกว่าคนคดโกง เพราะคนซื่อสัตย์มาพร้อมความไว้วางใจแต่คนคดโกงมาพร้อมกับเล่ห์เหลี่ยมและความน่ารังเกียจเชื่อหรือไม่ว่าแม้แต่คนคดโกงด้วยกันก็ยังรังเกียจคนประเภทเดียวกับพวกเขาเพราะเมื่อไรที่คนคดโกงต้องการเพื่อนร่วมงานเขาก็อยากจะได้แต่คนซื่อสัตย์มาไว้กับตัวช่างเป็นความต้องการที่เห็นแก่ตัวโดยแท้ถ้าเราอยากอยู่อย่างมีความสุข เราต้องซื่อสัตย์กับชีวิตของเราและของผู้อื่นยิ่งเราเป็นคนจนทรัพย์สินเรายิ่งต้องซื่อสัตย์ให้มากเพราะความซื่อสัตย์จะทำให้เราร่ำรวยคุณค่าแห่งชีวิตก็อย่างที่รามบอกกับลูกๆของเขาอย่างไรเล่าเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่ายอมเสียศักดิ์ศรีเสียความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่สุดของเราไป